พุทโสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันชนีสนทนามาพบท่านอีกวันหนึ่งนะคะเป็นรายการที่ประมหาภาัยบณ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกหนองหารอุดรธานีวัดที่มีการสอนการปฏิบัติธรรมกันอยู่เป็นประจำทุกเดือนให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปสมัครไปได้โดยตรงเลยที่วัดคือกมหาภัยบณ์อภิปุโนท่านเป็นผู้ที่ดาเนินการ เป็นหลักเลยด้วยซ้ำนะคะโดยมีท่านเจ้าอาวาดก็คือหลวงพ่อด็อเตอร์สะอาดทิตะภาโซเป็นประธานในการที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ไปฝึกปฏิบัติกันในสถานที่ที่เหมาะสมมากนะคะกับการจะไปรีเด้นที่พูดเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดได้เต็มปากเพราะว่าได้ไปมาแล้วเมื่อก่อนนั้นไปเยี่ยมนิดนิดหน่อยน่อยก็ยังไม่ค่อยจะได้ กล้าที่จะมาสรุปให้กับท่านรายการนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะคะสถานีวิทยุที่อยู่ทิดมาทางขวา FM 1 0 6ค่ะเราก็จะพบกันวันหนึ่งประมาณ35นาทีดิฉันเองก็พยายามจะทำให้35นาทีนี้ท่านฟังได้ไปครบในสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติในความเป็นพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะคะคือนอกจากจะฟังทำ เราก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยเริ่มต้นจากการปฏิบัติเดี๋ยวดิฉันจะให้ท่านเตรียมตัวไว้ส่วนที่ท่านของอามิมนท่านประมาฮาเพรบุญอภิปุลโนพบกับท่านทั้งหลายก่อนนะคะกล่าวนพิธ ก, การกับท่นคะเจริญพรค่ะก็ให้ท่านได้เมตานำการปฏิบัติก่อนที่จะให้ท่านทั้งหลายเข้าสู่การสั่งการสนทนาธรรมค่ะเจริญพรวิธีการปฏิบัติที่เราใช้ในที่นี้เป็นตัวมาเองใช้เองพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้ เป็นเหมือนกับเรายกคอสปฏิบัต์มาให้ท่านผู้ฟังได้ลองทำนั่นก็คือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการที่เราจะตั้งสติขึ้นเริ่มแรกโดยการให้เรามาสังเกตลมหายใจที่ผ่านออกผ่านเข้าอยู่ในโพรงจมูกของเราสังเกตรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ที่ไหนเอาจึตของเราตั้งไว้ที่ตรงนั้นในการที่เรามารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเนี่ยเรารับรู้ส่วนนี้เป็นาธาตุลม ในกายของเรามีธาตุคือธาตุสดินน้ำไฟลมลมนี้ผ่านเข้าไปทางปอดไปตามกระแสะเลือดไปตามอาวัยวะต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งของกายของเราพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลที่เห็นลมหายใจเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นกายในกายเพราะว่าลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เป็นกายอย่างหนึ่งในกายทั้งหลายในขณะที่เรามาสังเกตลมหายใจนี้เราอาจจะรับรู้ถึงสัมผัสคือความรู้สึก เรารู้สึกได้ถึงลมหายใจนี้ความรู้สึกนี้ก็คือเวทนานัหนึ่งเพราะว่าถ้าเรามาทําในใจถึงลมหายใจอย่างดีเนี่ยเราจะเห็นผัสสะมีผัสสะแล้วก็จะมีเวทนาเป็นความรู้สึกบุคคลที่เห็นลมหายใจนั้นก็ชื่อว่าเป็นพุทธิเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเหมือนกันและในขณะที่เรามาเฝ้าสังเกตดูรู้ลมหายใจของเรานี้ น, นจิตนี่แหละเป็นผู้ทธิก็ไปรู้ลมหายใจจิตก็อันหนึ่งลมหายใจนี้ก็อันหนึ่ง แต่เวลาที่เราจะมารับรู้ถึงลมหายใจได้จิตนี่แหละเป็นผู้ที่จะเข้าไปรู้ลมหายใจพระบรุาธเจาจึงได้ตรัสไว้ว่าลมหายใจเนี่ยการเห็นจิตเนี่ยมีได้กับผู้ที่มีสติไม่ลืมหลงมีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นคนที่เห็นลมหายใจนี้ก็ชื่อว่าเห็นจิตในจิตเหมือนกันแล้วในขณะที่เรามาสังเกตดูลมหายใจนี้ถ้าเราไม่คิดเรื่องที่เป็นอดีตบ้างอนาคต บ, บ้างและยินเสียงนี้หรือเสียงอื่นใด แล้วเราสามารถเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งต่างๆก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่มีเจดีย์หรือเรือนยอดหลังหนึ่งมีทางเข้ามาจากทิศเหนือที่ตะนออกทิศใต้และวก็ทิศตะวันตกการทำอนาปานสตินี่ก็เหมือนกันเหมนเวลาที่เราเห็นลมก็ชื่อว่าเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตและเห็นธรรมเพื่อให้เกิดอะไร ก็คือเพื่อให้เกิดสติตั้งขึ้ น, อนเอาไว้นี้สติที่ตั้งขึ้นเอาไว้นี้จะเป็นกําลังเป็นกําลังของจิตของเราที่ทำให้เราสามารถใช้ไปในการที่จะเจอภาษาต่างๆในชีวิตประจำวันของเราดําเนินการต่อไปได้ในอยังมีสติสัมปชัญญะได้ในการปฏิบัติเบื้องต้นก็จะตามนี้ตั้งสติขึ้นเอาไว้เชิบอนสาธุค่ะแล้วก็ท่านทั้งหลายสามารถที่จะฟังรายการไปพร้อมๆกับ ฝึกปฏิบัติไปด้วยกันได้ใช่ไหมคะใช่ใบางคนก็บอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงดังนั้นเมื่อให้จดจ อ, อ ก, กับอย่างใดอย่างหนึ่งคือรู้ลมหายใจ mm hmm. เท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดฟังไปด้วยเนี่ยแล้วจะจดจ อ, อ ก, กับอะไรล่ะคะถึงจะเรียกเป็นสมาธิกึศีกของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเป็นแอนะล็อกแอนะล็อกนี่คือหมายถึงมันมันไม่ใช่เป็นก้อนๆเป็นแบบเหมือนกับหลอดไฟอะไรอย่างนั้นจะเป็นเป็นอนะล็อกนะ เวลาที่เราจะไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเรารับรู้ผ่านทางตาทางหนะูที่ไปรับรู้เนี่ยก็คือจิตของเรานัวเองไปทำห น, น้าที่รับรู้คําว่ารับรู้นี่คือไปทำหน้าที่วิญญาณนะผ่านทางตางทางหนะูซึ่งในขณะที่เรารับรู้ทางหูอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เราเจอได้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วอย่างเวลาที่เราไปดูหนังดูภาพยนตร์อย่างเงี้ยเราก็ได้ยินเสียงผ่านทางหูตาเราก็ดูภาพยนตร์ไปด้วยจิตใจเรา ค, คิดตาม บางที่ปล่าเราก็ยังเคี้ยวป๊อปคอร์นอย่างเงี้ยหรือพูดกับคนข้างๆแล้วมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันได้แลพอมันเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันได้เนี่ยตัวนี้จิตมันอาจจะล่วงไหลไปทางไหนสูกทุกไปตามสิ่งที่มากระทบนั่นจึงต้องตั้งสติขึ้นเอาไว้อย่าน้อยให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวพระพุทธาก็จึงเปรียบเหมือนกับเอาสัตว์เนี่ยมาปลูกอยู่กับสเสาเขื่อนเสาหลักแล้โดยเสาเนี่ยเปรียบเหมือนกับสติสัตว์ทั้งหกชนิดถ้าเสียงหรือว่า ภาพที่ได้เห็นทางตามันก็เหมือนกับลิงหรือสุนัขชิ้งจอดที่ผูกเอาไว้กับเสามันอาจจะดึงบ้างแต่ว่าเชือกยังไม่ขาดใ น, นลักษณะที่มันดึงอยู่แต่ว่าเชือกไม่ขาดก็คือเหมือนกับเราได้เห็นภาพได้ยินเสียงแต่จิตของเรายังตั้งสติเอาไว้ได้นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็เมื่อวานได นมัส ก, การสนทนากับท่านพรรมภาัยบูรดิฉันเข้าใจว่ามาถึงวันนี้นี่น่าจะมีท่านผู้ฟังหลายท่านทีเดียวนะคะที่อยากจะฟังเรื่องเดิมต่อเพราะว่าก็เข้าใจว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่กว้างขวางแล้วก็มีแง่มีมุมให้มากราบเรียนถามท่านได้เยอะแต่ก่อนจะไปต่อเนี่ยท่านช่วยสรุปอีกครั้งได้ไหมคะว่าสําหรับพระพุทธองค์แล้วที่เราได้ทําให้ท่านหลายได้มีความเข้าใจซี้ให้ชัดเจนถูกต้องอืสั้นๆเอก็พูดถึง คีย์เวิร์ดที่เราต้องจําให้ได้เลยจำไม่ได้ขึ้นใจเลยะนะคือเจตนา น, นั้นคือกรรมคีย์เวิร์ดอกอันหนึ่งที่เราต้องจำไม่ได้ขึ้นใจก็คือว่ากรรมเก่าก็มีกรรมใหม่ก็มีในะกรรมเก่าคือลักษณะความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้นะ<ะ>กรรมใหม่คือสิ่งที่เราปรุงแต่งกระทํำท้งกายทางวาจาทางใจแลนะซึ่งมันจะให้ผลแน่นอนไนะหนผลนออกมาเป็นกรรมเก่าเนี่ยมันก็จะเออเป็นลักษณะที่ว่าผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกหรือว่าเดี๋ยวนั้นนะได้ทั้งสิน้น อันนคือคีย์บอร์ดที่เราต้องจำให้ขึ้นใจใ น, นการทำงานมันเป็นอย่างนี้แต่แล้วเรื่องอื่นๆเนือที่เป็นองค์ประกอบอย่าเช่นว่าความสุขความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากกรรมเก่าอย่างเดียวแต่มันมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างอันนี้คือเป็นสมาธิที่จะทาให้เรามีความรัดกุมในเรื่องการทําความเข้าใจนี้ให้มากขึ้นอพอเราเข้าใจตรงนี้รัดกุมแล้วเราก็รู้สิ่งที่ควรทำํำนั่นก็คือทําในเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลรู้สิ่งที่ควรละ ก็คือละสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหมดแล้วนะสุขทุกข์ในโลกมันมีเป็นธรรมดาแล้วนะก็อาศัยความอดทนบ้างความเมตตาบ้างก็จะผ่านกันไปได้แล้วก็เห็นสิ่งใดที่มันจะเป็นเครื่องทําให้เราโอ้อันนี้เป็นกรรมเก่าอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นสอนเรื่องกรรมจริงๆเลยแล้วนะก็ให้ตั้งสติเอามาสอนตัวเองว่าเอ้ยอันนี้เราควรจะทํากรรมดีแล้วเว้นกรรมชั่วนาะฬิกาปลุกเนี่ยมีเตือนอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ที่พุทธพนอีกอันหนึ่งซึ่งท่านได้พูดเมื่อวานแล้วดิฉันเข้าใจว่าคนรู้จักกันเยอะนะคะยิ่งถ้าพวกไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยก็จะเอามาท่องกันเลยว่ า, าสัตว์โลกนะ่ะมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผาพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศายัยใช่ะคะ่ะนี่ก็คือสรุปเมื่อวานนะคะถูกต้องพอามาถึงวันนี้ค่ะท่านคะคือดิฉันก็ได้พยายามที่จะนึกถึงว่า คนทั่วไปเนี่ยจะสนใจเรื่องกรรมอย่างไรกันบ้า ง, างเช่นนะคะคำว่าแก้กรรมเนี่ยเราได้ยินบ่อยมากมผูกกรรมก็ได้ยิน<อ>แล้วก็ดิฉันได้ยินคำใหม่ๆเลยนะคะซึ่งดิฉันงงจะมาถามท่านก็คือพอดีไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับภพบชาติที่พระพุทธรงตราดไว้แล้วก็พูดถึงเรื่องกรรมอยู่ด้วยเหมือนกันว่าถ้าคนที่เป็นผู้ตัดสินคดีความ อย่างไม่เที่ยงธรรมก็มีโอกาสจะไปเป็นเปรดที่มีลูกอันทะใหญ่แล้วก็ต้องแบกลูกอันทะเนี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูก ต, ต้องซึ่งเพื่อนดิฉันคนหนึ่งเขาก็โพสต์เล่าให้เพื่อนคนอื่นฟังเ้าบอกว่าน่ากลัวมากเลยเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปฏิบททัติธรรมก็เลยตอบมาว่าไม่ต้องกลัวหรอกอเพราะว่ากรร ม, มน่ะเป็นธาตุทอทงสราต่อเต่าสระอุอันนี้ก็ติดใจดิฉันมากนะคะ ก็เลยยกออกมาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวท่านจะได้ทยอยตอบว่าอ่ากรรมเป็นธาตุแก่กรรมผูกกรรมเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันอืมเอม อ, อเอาเรื่องของแก้กรรมก่อนเนี่ยคือวันนี้เราก็จะมาขยายความเรื่องที่มันจะปลีกย่อยต่อไปเรื่อยรเราเข้าใจเรื่องของกรรมโดยความเห็นที่ถูกต้องละทีนี้ลักษณะของคําว่าแต่แก้กรรมคือบทเป็นชนะที่พระพุทธชาใช้เนี่ยจะรัดกลุ่มมากเกายังมีกทีหนึ่งเพราะว่าคำสอนของพรพุทธชาเนี่ย ได้บัญญัติไว้อย่างดีนะดีแล้วเนี่ยเป็นสวาสดขาตาธรรมเนี่ยคือธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วดียังไงดีทั้งโดยบทนะคือปัญญชนะและโดยความหมายแต่นะบทปัญชนะที่พระพุทธเจ้าใช้เกี่ยวกับในความหมายทางนี้ก็คือสิ้นกรรมเป็นวิธีการหรือทําให้เรามีความสิ้นกรรมได้<ะ>ลักษณะของการสิ้นกรรมเนี่ยมันจะต่างกับการแก้กรรมตรงหนึ่งนะคือถ้าเราจะเปรียบเทียบอันนี้คือสมเด็จสังกราชได้เปรียบเทียบเอาไว้นะ ก็คือท่านเปรียบเหมือนกับว่าเราเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งหนาก็เขียนกไก่ลงไปเขียนกไข่ลงไปนาด้วยหมึกสีดํำเขียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระดาษเนี่ยมันเต็มด้วยสีดําไปทั้งหมดเลยนาจนไม่มีจุดที่เป็นสีขาวเลยนะเขียนไปเขียนลงไปเขียนลงไปเขียนลงไปแล้วเราจะไปตามลบไอ้ตัวกอไก่ตัวแรกที่เราเขียนเนี่ยโอ้โหมันจะไปลบยังไงมันมันอยู่ในนั้นหมดแล้วนะนี่คือลักษณะของกรรมที่เราสร้างอยู่ตลอดเวลาหนากรรมนะมีภาษะเป็นแดงเกิดนะ เรามีภาษาปุ๊บเราสร้างกรรมมีภาษาปุ๊บสร้างกรรมฝันก็ไม่เว้นตอนนอนก็ยังมีนะสร้างกรรมอยู่น ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปตามแก้ตามลบเนี่ยมันไม่ได้มันมันเยอะมากแต่วิธีการก็คือโยนกระดาษติ้งไปเลยเนี น, นี้คือลักษณะที่จะเปรบที่เพื่อให้ฝั่งว่าไอ้กรรมเนี่ยเราไม่ได้ไปตามแก้อย่างนั้นเนี่ยไปตามลบตามคิดว่ากรรมไม่ดีจะทําให้มันดีแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือทําให้สิ้นกรรมนนเนื้อกรำนั่นเอง เราจนเหนือจากกรรมได้ก็คือมันจะมาครอบงำ ม, มันจะมาคุมเราไม่ได้ในคือกรรมเก่าเนี่ยจะไม่มีอิทธิพลเหนือเราแต่แล้วก็มีเรื่องเพิ่มเติมก็คือว่าเอถ้าสมมุติว่าเวลาที่กรรมเก่ามันจะให้ผลเนี่ยสิ่งที่มันจะมาเข้ากันได้กับเรื่องของการแก้กรรมเนี่ยก็คือทําให้มันจากหนักเป็นเบาได้หรือจากเบาเป็นเบาลงไปอีกได้อยู่ะมีอุปมาอุปไมยอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยปริเทศเอาไว้เหมือนกับว่าเราเอาเกลือ มาผสมลงในแก้วน้ําใบหนึ่งนะเกลือก้อนหนึ่งเนี่ยผสมลงในแก้วน้ําใบหนึ่งเนะี่ยเรก็คนน้ําเข้าไปดื่มกินดูมันจะมีความเค็มเนะี่ยอยู่เราจะรับรู้ถึงความเค็มของมันได้ใช่ไหมค่ะถ้าพรากว่าเราเอาเกลือขนาดก้อนเท่าเดิมทีนี้เอาไปผสมกับน้ําในแม่น้ำค่ะนะีผสมใส่ลงในแม่น้ําเลยเนะีเราจะไม่สามารถรับรู้ถึงรสเค็มได้เพราะว่าปริมาณน้นําเนี่ยมันมากกว่ากันมากนะค่ะถ้าเปรียบเทียบกับน้ําในแก้วค่ะนะเกลือเนี่ย ก็เปรียบอุปมากับกำชั่วที่เราเคยได้ทำมาเกลือนะแล้วความเค็มที่จะเกิดขึ้นนความเค็มนะคือความเผ็ดร้อนนะเป็นผลของกรรมที่จะเกิดเป็นความเผ็ดร้อนที่จะเกิดขึ้นนี่คือความเค็มเป็นผลของมันนะเกลือนะเป็นเหมือนกับกำชั่วที่เราเคยทำมานะแล้วความเค็มนจะเป็นผลของกำชั่วนั้นโอเคะน้ำน้เปรียบเหมือนกับความดีที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน Liam น้ำเนี่นะเป็นเหมือนกับความดีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันถ้าเรามีความดีที่มีอยู่ในปัจจุบันน้อยนั่นะก็เปรียบเหมือนกับน้ํำในแก้วในที่มันก็แค่ในแก้วนั้นะเองในเวลากรรมชั่วที่เป็นเกลือเนี่ยนะมันจะให้ผลเป็นความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยเนี่ยเป็นความเค็มเนี่ยมันก็จะให้ผลเค็มมากนะให้เค็มมากแต่ถ้าบอกว่าเรามีความดีในปัจจุบันเราเนี่ยมีอยู่มากนันก็เปรียบเหมือนกับน้ําที่อยู่ในแม่น้ำํำในเวลาความชั่ว ที่เราเคยทํามามันจะให้ผลเป็นความเค็มเนี่ยมันก็เค็มนิดเดียวค่ะอันนี้พอจะเบาได้ค่ะก็คือท่านกำลังจะบอกว่าพระพุธทธองค์เนี่ยไม่ได้ใช้คําว่าแก้กร ร, แกรรมไม่ได้ใช้แต่ใช้คําว่าทําให้มันสิ้นไปเลยอันนี้คือสิ้นกรรมนี่คือความหมายหนึ่งค่ะหรือ อ, อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้เบาบางลงทูกไหถูกต้องถูกต้องค่ะท่านคะทีนี้พูดถึงเรื่องแก้กรรมเนี่ยก็จะได้ยินคํากล่าวกัน ในอินเทอร์นอินเทเน็ตมีเยอะนะคะบางคนยังอายุไม่มากเลยหนุ่มๆยังอาศัยเป็นคนแก่กรรมเก่งผู้หญิงบางคนก็แก่กรรมเก่งก็เป็นคนไปหาเป็นลุกสิบทุกหากันเยอะแก่กรรมเก่งนี่เขาหมายความว่าไงนะถือหมายถึงว่าใครไปหาแล้วเขาจะชี้แนะให้ก ร, กรรมที่ ม, มีอยู่เนะี่ยมันเบาบางลงไปได้นะคะจะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่อ่าทีนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่ฉันเคยได้ยินคนเขาพูดถึงเรื่องเจ้ากรรมนายเวรกันเยอะ หรือบางทีเนี่ยมีบางคนก็จะพูดว่าเมื่อ ย, ย้อนระลึกไปในอดีตชาตินั่งสมาธิเก่งมองเห็นเลยนะคะว่าเคยมีกรรมกับใครไว้เคยเกิดร่วงใครเคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีวิธีที่จะเหมือนกับอุทิศบุญให้กับผู้ที่ได้เคยอยากจะร่วมเกินกันม า, าทำอะไรไม่ดี<น>มาในอดีต อ, อ, อะไรเงี้ยนะคะค่ะและดิฉันก็ยังได้ยินว่า เวลาไปปฏิบัติธรรมในบางแห่งออืเขาจะมีบทเลยนะคะว่าสวด ถ, ถึงเจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอก็เหมือนกับว่าเป็นคนชาติแล้วแต่กรรมยังมาตามตอบสนองอยู่อืตอนเนี้ยรู้สํานึกแล้วก็เหมือนกับมีการสวดขอว่ามาปฏิบัติอย่างนี้ก็ขอให้ลืมๆกันไปซะเลิกเลิกกันไปซะ อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมั น, ม, นมันต้องมีบทเพียนชนะที่จะอ่าให้มันรัดคุมนิดนึงกันเข้ามาอีก เอาคำว่า เ, เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็คำว่าอาโคสิกรรมก่อนน ะ, ะคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยถ้าเรามาทําความเข้าใจตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าในความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรในธรรมะวินัย น, นี้มันไม่มีหรอกในความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรในธรรมะวินัย น, นี้มันไม่มีนะแต่เวรมีไหมมีกรรมมีไหมมีเราคุยกันไปแล้วแล้วก็กำลังคุยอยู่ตอนนี้เวรมีไหมมีนะการปลูกเวรมีแน่นอนแล้วก็กรณีของมีดที่กรีดลงบนน้ําบนทรายหรือบนหิน กนะารผูกเวร น, นี้มีแน่นอนนะแต่ว่าความเป็นเจ้าข้าเจ้าของนั้นไม่มีนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาในคําสอนของพระพุทธเจ้านะทำทั้งหลายเนี่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปคิดว่านี้เป็นเจ้าข้าเจ้าของเขาจะต้องมาเป็นเจ้าของเราหร like ืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่ถ้ามีการผูกเวร เ, เกิดขึ้นในการที่จะทําให้การผูกเวร น, นั้นคลายไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เคยพูดถึงเหตุถึงปัจจัยอยู่ใ น, นการที่จะทําให้การผูกเวรนี่ยคลายไปได้ คือถ้าการผูกเวรเกิดขึ้นในจิตของเรานะการที่เร า, เาสร้างเหตุปัจจัยเช่น เ, เรามีการสวดมนต์อันนี้จะทําให้คลายความผูกเวรได้การประพฤติประมาจันการปฏิบัติตามศีลการทาความเพียร4ีห้าอย่างนี้จะเป็นบริขารของจิตที่ทําให้เกิดการไม่ผูกเวรได้ทีนี้ถ้าเขามาผูกเวรเราอันนี้คือการผูกเวร น, นี้ถ้าจะเกิดขึ้นกับตัวเราเราแก้ตรงนี้ได้นะแต่ถ้าเขาจะมาผูกเวรเราเนี่ยเราจะไปห้ามเขาไม่ได้ไง เพามันเป็นการกระทำของเขาถูกไหมทีนี้วิธีการที่เราจะทําได้นั้นพะุทาได้ตรัสถึงเรื่องของเมตตานะบุคคลที่มีเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆเนี่ยคนที่เป็นมนุษย์หรือสิ่งนั้นก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาบมนุษย์หรือมนุษย์เนี่ยก็จะรักเรานันะก็จะรักเรารักเราเนี่ยมันดีกว่าน ะ, ค, ะคือคือสมมติผีใช่ไหมเอ่อพวกเปรตพวกอะไรเนี่ยก็อาจจะมารักเรารักเรานี้คือหมายถึงว่าไม่ได้มาหาเรานะแต่ก็ะจะแบบปรารถนาดีกับเรา คือคือถ้าเราคิดว่าผีจะมาหาเราผีรักเราเนี่ยอาจจะไม่เรากลัวแต่ไม่ใช่อย่านั้นนะคือเขาจะปรารถนาดีกับเราก็จะไม่จองเวรกันจะไม่ผูกโกรธกันอันนี้คือเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะซึ่งถ้าเรามากลับมาดูที่คําแนะนําต่างๆที่เขาแนะนํากันมาไม่ว่าเขาจะแนะนําให้คุณส่วนบทนี้หรือว่าเขาจะแนะนําให้คุณไปทําอย่างนั้นในอย่างนั้นอย่างนี้หรือส่วนบทนั้นบทนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นไปนในทา ง, ทางคําสอนของพุทธนะ มันจะต้องไม่หนีออกจากมาร์กแปดอ่ะคุณจะสวดบทนก็ต้องเป็นคําสั่งของพุทธะแล้วกุจะทําอะไรใส่บาทยังไงมันก็เป็นเรื่องของการให้ตารักษาศีลเจริญภาวนาต้องอยู่ในนี้ก็คือถือว่าก็คล้อยกันไปได้แล้วก็มาทํานองเดียวกันได้ค่ะก็อถ้าจากคําถามของฉันสรุปอีกทีนึงก็คือว่าไม่ต้องไปกังวลเพราะอ่า การผูกเวรมีคืจริงแต่ไม่มีใครมาเป็นเจ้าข้าเจ้าของคือม า, มาเป็นเจ้ากรรมเจ้าเวรของเราอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลอย่างนี้คือความสอนนี่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะแล้วถ้าไม่สบายใจก็ใช้แผ่เมตตาให้เอาใช่อย่างนั้นแล้วก็เรื่องของคำว่าโอ้โหสิกรรมนี่เลยเหมือนกันค่ะนะคือกรรมเนี่ยมันมันต้องให้ผลแน่นอนค่ะนะกรรมอะไรที่จะไม่ให้ผลเนี่ยไม่มีค่ะมันมันไม่ใช่ไงคือจะทําให้แก้แล้วลบไปเนี่ยมันไม่ใช่ คุณจะทำให้สิ้นกรรมได้บทพยัชนะที่พระรู้เจ้าใช้คือกรรมสิ้นกรรมเนี่ยคือคุณเป็นพระอาหารหันต์มันเหนือกรรมอยู่แล้วเอาพระอังคุลิมาเนี่ยกิดดูนางตาเป็นคาราวารเนี่ยมีใจบาปหยาบช้าฆ่าคนแล้วก็ตัดนิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งมาที่คออย่างเงี้ยโอ้ฆ่าคนขนาดนั้นจะต้องไปตกนรกสิ่งปีเป็นนั้นมากแต่ว่าปัจจุบันนี้กรรมที่ท่านได้กระทำเนี่ยเหนือตรงนั้นไปแล้วเพราะว่าไม่ไปนรกแล้วไงพระอรหันต์เนี่ ย, าายแต่ว่าผลที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันของท่านเนี่ยก็คือว่า ใครเขาโยนหินโยนอะไรไปทางไหนเนี่ยมันก็จะย้อยมาโดนลงท่านอย่ 1, างเงี้ยก็ะดีวอขาดเลือดไหลนะ่ยบาดแตกเนี่ยเป็นกรรมที่ท่านต้องรับไปเป่นปัจจุบันกรรมใช่ใช่แ ต, แต่ว่าทุกอย่างมันเหนือคือเหนือในที่นี้ไม่ใช่ว่าแบบว่าคุณจะไม่ต้องได้รับมันมันไม่ใช่แต่ยังไงก็ต้องได้รับอะ่ะน้อยบ้างมากบ้างก็ตามวิสัยตามตัวอย่างที่อาจมาจได้ยกไว้เรื่องของเกลือในตอนต้นนะนะ ก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ว่าไอ้คำว่าอโหสิเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าได้กระทําแล้วนะอโหสินะเป็นภาษาบาลีนะแปลว่าได้กระทําแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการยกโทษให้นะคํานี้ใช้ไม่ถูกแต่ที่คนไทยเอามาใช้ว่าเป็นอโหสิกรรมอ่ะฉันอโหสิให้เธอแล้ก็คือใช้ในความหมายว่าฉันยกโทษให้เธอหรือว่าฉันยอมให้เธอหรือว่าฉันไม่เอาความด้วยคือหมายถึงว่าไม่เอาโทษเธออ่ะก็ใช้คำว่าอโหสิ แต่ว่าในภาษาบาลีไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไงค่ะคือเป็นคำทั่วไปอ่ะว่าเพราะฉะนั้นคําว่าโอโหสิกรรมเนี่ยก็จะหมายความว่ากรรมที่ได้กระทําแล้วค่ะเข้าใจไหมมันมันจะเป็นคนละความหมายกันไปเลยค่ะถ้าใช้ในโลกของภาษาบาลีใชะคะก็จะไม่ได้ประโยชน์ในความหมายที่ต้องการอืมแต่ถ้ายัางใช้ในสังคมไทยซึ่งยังเข้าใจอยู่ในพจทานุกรมอย่างนั้นอยู่ก็จะแปลว่ายกโทษให้แล้วอ่าเราก็ใช้ความหมาย ใช้สับให้รัดกลุ่มนิดหนึ่งแ่ถ้าจะให้ดีแล้วไม่ให้สับสนซึ่งเรียนเคยกรับเรียนท่านเกี่ยวกับเรื่องของอยากอ๋ออยากไมมกับไม่อยากเนี่ยใช่ไหมคะซึ่งภาษาไทยบอกไม่อยากนะคะแต่ถ้าเป็นคำสอนของระศาสดาคืออยากเป็นความอยากทั้งนั้นแต่ถ้าในทางที่ต้องที่อยากจะไม่ให้เกิดเนี่ยก็ใช้อยากไหมทีนี้เรื่องอโหสิ ถ้าต้องการที่จะพูดให้ถูกหลักคําพระพุทธองค์ <messages> ก็อย่าพูดคํานี้ต้องพูดว่าอะไรคะต้องพูดว่าให้อภัยกันหเหรือว่าอดโทษให้เ <โด S 2> นี่ยคำนี้น่าจะเป็ น, <ห>นคําที่ถูกต้อ ง, ะะ อ, งอดโทษให้นะะคก็คือคําว่าอดโทษให้เนี่ยก็คือไม่ให้มีโทษเกิดกับเราคือถ้าฉันจะไปโกรธเธอเนี่ยโทษนี้จะเกิดกับฉันนะสมมุติว่าเธอทําไม่ดีกับฉันใช่ไหมแล้วถ้าฉันจะโกรธเธอเนี่ยโทษจะเกิดเกิดขึ้นกับฉันงั้นฉันจะอดโทษที่จะเกิดขึ้นกับฉันเอาไว้ <c oughs> คือไม่ได้ยกโทษให้นะเพราะ <c oughs> ว่ายกโทษให้กรรมก็ยังเกิดกับเขาอยู่เพราะว่าเขาทําฉันไม่ดีใช่ไหมกรรมไงเขาก็ต้องได้รับล่ะแต่ว่าฉันจะอดไม่ให้มันมีโทษเกิดขึ้นในจิตของฉันอืมค่ ะ, ค, ะคือในจิตของฉันที่จะไม่ผูกกับเธอไม่ผูกเวรถ <c oughs> ูกไหมอ่าไม่ให้มีอากัลธรรมเกิดขึ้นอดเอาไว้ตน <c oughs> <c oughs> เอาไว้นะท่านคะงั้นเดี๋ยวสรุปอีกนิดนึงสําหรับท่านผู้ฟังอาจจะฟังหลายๆอย่างปนกันบางทีตามไม่ค่อยทันอืมปแต่อยากรู้ว่าแก้กรรมยังไงเนี่ย ท่านปิบูรณพูดไปแล้วนะคะว่าพระพุทธองค์บอกว่าให้ทำตัวอยู่เหนือกรรมนะคะถ้าพระอาหารหันเนี่ยพยายามไปถึงจุดนั้นเนี่ยจะสิ้นกรรมเลยไม่มีกรรมอีกต่อไปใช่ไม่มีกรรมอีกต่อไปถูกไหมคะเมื่อเป็นพระอาหารหันปุ๊บเนี่ยอยู่เหนือระบบกรรมละมค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นสำหรับเราซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไป ทำความเข้าใจมากมายไปเกี่ยวกับเรื่องกรรมเพราะพระพุทธองค์บอกว่าจยาไปพูดถึงมันมากมันเป็นอาจินตายถูกไหมคะผลของมันใช่ค่ะผลของกรรมจะเป็นยังไง<ม>คิดแล้วจะเป็นเป็นบ้าเป็นบ้าได้ไดค่ะก็มีทางออกก็คือทําดีเยอะๆไหนะคะในมักแปดของพระพุทธองค์จะเป็นการถูกวิธีที่สุดเหมือนเอาน้ำไปละไปใส่เกลือให้เจือจางถูกต้องนะคะความเค็มที่จะเป็นผลเป็นความเผ็ดร้านเนี่ย มันก็จะเบาลงค่ะท่านคะทีนี้ได้ยินแต่คําว่าผูกเวรที่ท่านพูดคาว่าผูกกรรมเนี่ยไม่มีใช่ไหมคะไม่เคยได้ยินนะธรรมาก็ไม่เคยได้ยินน ะ, นะคะอ่าก็อาจจะเป็นเห็นมีแก่กรรมก็เลยคิดว่ามีผูกกรร ม, มทีนี้กรรมเป็นธาตุนะคะอะตรงนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดที่ว่ากรรมเป็นธาตุเนี่ยธรรมะต้องอาจจะเพิ่ ม, เ ต, มเติมเรื่องอความเหนือกรรมตรงนี้ที่เราจะเห็นได้ในปัจจุบันเลยอย่างเช่นว่าถ้าเราฝึกจิตมาดีแล้วแต่เวลาเขาด่าเราเนี่ยเขาด่าเราใช่ไหม ซึ่งปกติแล้วอันนี้เป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจแน่นอนแดีวเวลาภาษาที่ไม่น่าพอใจเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้น <Okay. S 2> แต่เราก็จะตอบสนองเป็นลักษณะว่าด่ากลับบ้างโกรธบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ <Okay. S 2> ทีนี้ถ้าผมว่าเราฝึกจิตมาดีแล้วเอายังไม่ต้องพูดถึงว่าคุณเป็นพระอาหารหันต์หรือโสดาบันยังไม่ต้องพูดถึงเอาแค่ <Okay. S 2> ว่าคุณมีสมาธิหรือมีสมาธิในระดับที่พอใช้ได้แรือคุณมีสมาธิในระดับที่พอใช้ได้เวลาเขาด่าเราเนี่ยเราจะไม่โกรธ นะเราจะไม่ได้แบบขัดเคืองเราจะไม่ได้ด่าว่าตอบความลักษณะเนี้ยคุณเหนือกรรมแล้วนะณนะวินาทีนั้นที่ให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยก็มันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะเราจะไปแคร์อะไรอะ่ะก็เฉยๆไปก็จบนต่เเหนือแล้วตรงนี้มันเหนือกันตรงนี้นี่คือคนเหนือคนเหนือกรรมขึ้นมาค่ะสมมุติว่าบางทีอาจจะไม่รู้เรื่องสมาธิอะไระหรอกนะคะแต่ในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่า เราระงับยับยั้งได้เช่นข่มใจได้นะคะใช่ใช่ใช้คํานี้ได้เพราะว่าโอ้โหถ้าปล่อยตามอารมณ์ปกติธรรมดาเนี่ยปรีบปลาดไปแล้วอืมแต่ว่าพยายามมีสติใช้สติในสามัญสติอย่างนี้สติทั่วไปใช่าจะไม่รีบปลาดอย่างนี้ก็ถือว่าเหนือแล้วอ่านี่คือเหนือกรรมแล้วเหนือจากเจตนาการกระทำที่มันจะเป็นในทางไม่ดีหรือดีเราเหนือจากตรงนั้นแล้วค่ะแล้วก็ พอเหนือตรงนี้ก็คือเหนือกว่าคนทั่วไปแล้วเป็นคนเหนือคนแล้วคเหนือคนที่เหนือคนอย่างนี้พอพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเป็นคนที่ประเสริฐแต่ก็อริยะบุคคลขึ้นมาดิฉันเพิ่งดูย้อนหลังนะคะการสัมภาษณ์คนที่ได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีนี่คนหนึ่งบางวันเธอชอบ ป, ปิ้งเป็นเงินเรือนล้านบาทอย่างนี้นะคะอืแล้วก็มีคําถามว่าได้ยินว่าเป็นคนขี้หึงมากเลยใช่ไหมเธอก็ตอบบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นละดีขึ้น เพราะว่าไปฝึกปฏิบัติเนี่ยค่ะไปไปนั่งสมาธิบอกแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันอะไรก็อันนี้จางทุกขังอนัตตาไปหมดก็หบังแบบนี้นะคะก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องไงก็เหมือนอกับทำนองเดียวกันอย่างนี้ไหมคะว่านั่นแหละเขากำลังทําตัวอยู่เนือกรรมแล้วใช่ก็เป็นเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคื อ, อบางเรื่องเราก็เหนือได้บางเรื่องเราอาจจะยังติดอยู่ยังข้องอยู่ คือถ้าเป็นก็เป็นลำดับขั้นไปค่ะแต่ความเป็นลำดับขั้นนี่ยก็เป็นตามอริอรยะบุคคลขึ้นไปค่ะที่เราต้องพูดกันเรื่องนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมคะแล้วชาวพุทธเนี่ยก็จะพูดกันเรื่องกรรมเหมือนอยู่ปลายปากันที่เป็นเพลงนะคะเยนสมัยก่อนชอบร้องเพลงเนี่ยจำได้เลยมีหลายเพลงมากบางเพลงก็บอกโถเอ้ยกรรมของคุณแท้ๆมารักฉันเนี่ยนะคะบางเพลงก็บอกว่าชาตินี้เหมือนมีเวรกรรมเนี่ยคงเป็นคํำสาปจากเธอเลยนะที่อ่า ที่ทำให้ฉันพบรา ก, กับใครแล้วก็ต้องผิดหวังนํำไปอนะคะแล้วก็มีเพลงบางเพลงก็พูดถึงการผูกเวรนะคะอย่างเงี้ยที่บอกว่าบัดนี้เธอเจอเข้าบ้านเหมือนกับทำกับฉันไวอ้อืมอืมแล้วเธอก็เจออะไรอย่างเงี้ย น, นี่มันเป็นสภาพของสภาพแวดล้อมของสังคมไทยที่อะไรอะไรก็ว่าด้วยกรรมทั้งนั้นใช่จนก็ตทังไปปรากฏในเพลงนะ ่ซึ่งซึ่งเพลงจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความสุขทั้งหูแต่เป็นการละเล่นในลนักษณะของบางทีถ้ามันเป็น่ารสื่อกุ่มโซลธรามเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงแต่บางทีดิฉันว่าบางทีมันก็ให้คิดให้แง่คิดเราบางประโยชในเพลงสำหรับคนที่ทั่วๆไปก่อนนะคะท่านค่ะและดิฉันก็เลยอยากจะให้ชาวพูดทั้งหลายเนี่ยเข้าใจเรื่องกรรมให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ท่านพุทธบุญคลิดว่ายังมีแง่ไหนเรืงไหนที่น่าจะเสริมไหมคะพระพรุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่องของกรรมที่ไม่ขาวไม่ดำํำนะสับพวกนี้เราควรจะต้องมาทําความเข้าใจคุ้นจินกับศัพท์พวกนี้นิดหนึ่งแต่ ค, ความหมายเนี่ยบางทีมันก็จะเหมือนๆกันนะนะกรรมขาวคือเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลแนตะถ้าเฉพาะเฉพาะจอดจงไปก็คือไม่ฆ่าไม่รักไม่รประพฤติผิดในกา ร, รมคือกุศลกรรมบุทั้ง10อย่างะนะกรรมดํา ก็คืออกุศลกรรมบด ท, ทั้ง10อย่างนะก็คือมีทางกาย3มอย่างมีวาจาสายย่ยางแล้วก็ทางใจ3มอย่างห <Okay. S 1> นึ่นคือกุศลอกุศลที่เป็นเป็นบาทฐานที่เป็นสีขาวแล้วก็สีดำ <Okay. S 1> แล้ส่วนที่ไม่ดําไม่ขาวพระพุทธเจ้าแยกออกมาแตะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเนี่คือเรื่องของมรรคแปดนะมรรคแแต่เราจะเห็นได้ว่าเฮ้ส่วนที่ไม่ดําไม่ขาวมันก็มีส่วนที่ขาวอยู่นะ <Okay. S 1> ถูกไหม <Okay. S 1> ก็คือมีส่วนที่เป็นกุศลธรรม อยู่ในมรรคแปดด้วยในมีส่วนที่เป็นกุศลกรรมบทสิบเนี่ยอยู่ในมรรคแปดด้วยค่ะอันนี้จะเป็นประเด็นที่ทำให้เราเห็นว่าเส้นทางที่เราจะเดินไปสู่ความสิ้นกรรมเหนือกรรมได้เนี่ยก็ต้องเดินมาตามทางที่เป็นกุศลธรรมค่ะทีนี้อย่างไรก็ตามคุณเดินมาทางกุศลแล้วเนี่ยกุศลพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะยึดถือนะก็ต้องวางมันไปทําความก้าวเจตรงนี้ตรงนี้แหละคือเรื่องของธาตุไงคุณหยมเตียงเพราะคําว่าธาตุเนี่ย หมายความว่าเป็นสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยนีมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นโดยเอกเทศลอยๆกรรมาธาตุเนี่ยนะมันจะต้องมีเหตุปัจจัยของมันนี่คือกรรมาธาตุที่หมายถึงนื่องากว่าธาตุเนี่ยเป็นองค์ประกอบเนีคือถ้าเราจะพูดถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดมหรือว่าการมาธาตุหรือว่าสัญญาธาตุคือมันมีธาตุในทุกๆอย่างที่บริข่าวอธิบายเอาไว้นิพพานธาตุก็มีเนื่อซึ่งคําว่าธาตุในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่ เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันจะต้องมีเหตุปัจจัยเข้ามาเน่ะมันถึงจะเกิดเป็นธาตุมีผลมีการปรุงแต่งต่อไปและมีขาวมีดําอันนี้คือลักษณะของธาตุที่มันจะเหมือนกับกายของเราเนี่ยมันมีธาตุแล้วก็มันก็เป็นแขนออกมาเป็นด้ไวนะว่าออกมามันจะไ ป, ไปลักษณะแบบนั้นอองั้นก็เท่ากับว่าเนื่องจากกรรมมีเหตุมีปัจจัยจึงมีผลถูกไหมคะถูก ต, ต้องกรรมจึงเป็นธาตุถูกต้อง การที่เพื่อนของเพื่อนดิฉันท่านนั้นได้กล่าวว่าไม่ต้องไปกลัวหลอกเกี่ยวกับกรรมที่ว่าตัดสินคดีความไม่เป็นธรรมแล้วลูกอันธะจะใหญ่มากต้องแบกไว้เนี่ยอเพราะเป็นธาตุเพราะมันเป็นอนัตตาเพราะเป็นธาตุมันจึงเป็นอนัตตา <c oughs> ถูกงทจังทุกครั้งอนัตตาใช่ค่ะทีนี้ถ้าถ้าเราจะพูดให้รัดกลุ่มให้มันครบถ้ว น, น, นเราพูดถึงว่าเออถ้ามันมีเหตุมันก็จะต้องเกิดใช่ไหมถ้าเหตุมันดับอันนี้ต้องพูดให้ครบถ้วนด้วย ถึงความดับถ้าเหตุมันดับมันก็จะต้องดับอันนี้เราจึงสบายใจได้ว่าถ้าเราดับที่เหตุให้กรรมนี้ดับแน่นอนค่ะมไม่สร้างเหตุถูกต้องที่จะทําให้ความไม่เที่ยงทําเกิดคือทํำซะให้มันถูกต้องสําหรับกรณีที่ที่บอกว่าการตัดสินอ่คดีความต่ า, ม า, าืมไม่เที่ยงธรรมหรือบางทีตัดสินไปแล้วนะคะท่านบางทีก็<ม>ก็เกิดขึ้นไปแล้วอย่างนี้ก็ต้องมา ดำเนินตามวิธีอริยมรตมีองค์แปดทำให้ถึงความสิ้นกรรมตรงนั้นได้ให้ถึงสิ้นกรรมแล้วเราดูตัวอย่างก็หมายว่าพระอังคุลิมาอย่างเงี้ยก็ทําไม่ดีมาเยอะแต่ท่านก็ยังทําให้เหนือได้ทําให้สิ้นตรงนั้นได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับผลก็รับผลแต่เหนือจากที่มันจะไม่ดีตรงนั้นไงค่ะแตฉันเองตอนเด็กๆเกนี่ยรู้จักแต่องค์คุลี ไม่ไม่รู้จักอังคุลีนะคะจริงๆแล้วชื่ออะไรกันแน่คะคําว่าอังคุลีเนี่ยคือสะกดตามภาษาบาลีอ๋อค่ะอังคุลีเนี่ยแปลว่านิ้วมือหนึ่งองคุลีเนี่ยพอภาษาไทยเอามาใช้เขาไม่มีหัดไม่เห็นหากาศอ๋อเอาจุดข้างล่างคือนิ้วกหิตออกไปก็เลยอ่านว่าอังองค์คุลีในภาษาไทยแต่ในภาษาบาลีจะมีจุดข้างล่างก็จะอ่านว่าอังคุลีอ๋อเลยโดยรู้จักที่มาของคำนี้ในภาษาบาลีว่าคือนิ้วมือ อ<ม>องคุลีเนี่ยเมื่อก่อนคุณแม่สอนหุงข้าวเนี่ยจะบอกให้ใส่น้ำหนึ่งองคุลีคือหนึ่งข้อหนิ้วใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วเราก็จะรู้กันว่าโหคนเนี้ยแค่นึกก็น่ากลัวแล้ว<ม>ว่าจะต้องเป็นโจรหน้าตาผมเผ่ารุงรังน่ากลัวคอยดักคนแล้วก็จับมาตัดนิ้วเอามาร้อยที่คอให้เป็นมาลัยนิ้วมือคนนะคะแต่ว่ายัางพ้นกรรมยังสิ้นกรรมได้เลยแต่ไม่เกิดกรรมสิ้นกรรมได้ ก็เรียกว่าท่านเพรบูรณ์ได้ให้ความรู้ตั้งแต่กลัวกรรมนะคะเข้าใจกรรมมากขึ้นแต่เข้าใจก็ยิ่งกลัวเพราะว่ากรรมมีเผ่าพันธ์มีกําเนิดทําดีทําชั่วได้รับหมดเนี่ย น, นะคะแต่บอกวิธีสิ้นกรรมไปให้ด้วยก็ถือว่าไม่ติดค้างอะไรค่ะสบายใจมากขึ้นนะคะเพืนผ่าผู้ที่ได้รับความรู้ก็น้อมสักการขอบพคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพระมหาไพบูรณ์อภิปุณนองค่ะน้นมสักการค่ะพระนุฟัลพิครบค่ะท่านเพบูรณ์ท่านเปิดคอร์ส ปฏิบัติธรรมของท่านสม่ำเสมอเลยนะคะดิฉันเองก็เกรงใจท่านมากถ้าหากว่าสัปตาห์ใดาเนี่ยไปตรงกับการที่ท่านสอนการปฏิบัติเพราะว่าตลอดเจวันนะคะดิฉันว่าท่านทํางานทุกเวลานาทีเลยก็ว่าได้ในการที่จะสอนนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราท่านยังช่วยนําการปฏิบัติธรรมให้เราได้กุศลซึ่งเรถือว่ากุศลจากการปฏิบัติเนี่ยเหนือกว่าการทํากุศล รักษาศีลหรือว่าทำทานด้วยนะคะก็เป็นโอกาสที่คิดว่าเราควรชวนให้คนอื่นได้เข้ามาร่วมในโอกาสนี้ร่วมกันในรายการสันสนิษีสทนทนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ดิฉันสันสนิษฐนนาคพงค่ะเป็นผู้ดาเนินรายการสำหรับวันพระหัสสวัสดีและวันศุกร์ท่านไปบูญนั้นพบพวกเราตั้งแต่วันจันทร์เลยนะคะติดตามรับฟังรายการกันในสัปดาห์หน้า เสาอาทิตย์ก็ไปไร้ครวรรมที่ได้รับไปแล้วก็ไปฝึกซ้อมฝึกฝนให้มากยิ่งขึ้นกับการปฏิบัติที่ท่านเปโบรได้สอนไปกันละกันนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้พุทธวสวัสดีค่ะ